จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจผสมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช5 5 5เป็นวันที่ท่านทั้งหลายลลยตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำประโยชน์ทั้งกับของตอนเองและ ประโยชน์ของผู้ืตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้เป็นคำสอนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะจากพวกเราไปโพลทรงตัดสอนว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดย่อมมีดับไปเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเธอคำว่ามักความไม่ประมาทก็หมายถึงให้เราเระลึกเสมออยู่เรื่อยๆว่าชีวิตของเรานั้นสั้นลงไปสั้นลงไปทุกวันเวลาที่เราจะมีอยู่ในโลกนี้มีน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เพราะถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่ประมาท นอนใจถ้าเราไม่คิดเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปอีกนานจะอยู่ไปถึงเ0สปีร้อยปีแต่ความจริงนั้นไม่มีใครรับประกันกันได้ว่าคนเราจะตายจากกันไปเมื่อไรดังนั้นเราจรึงควรระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยว่า เราอาจจะต้องจากเรื่องนี้ไปในวันนี้ก็ได้หรือในวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าเราต้องจากไปก่อนเวลาเราจะทำอะไรกันดีถ้าไม่เราไม่รีบสร้างประโยชน์ของตัวเราและของผู้อื่นเราก็จะไปแบบมือเปล่าไม่มีอะไรติดไปกับมือของเราติดไปกับใจของเรา ถ้าเราลองสมมติว่าเราไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกว่าเราเป็นโรคร้ายจะต้องตายไปภายในสามเดือนเราจะทำอย่างไร <ừ. S 1> เราคงไม่คิดที่จะทำอะไรต่างๆอย่างที่เราทำกันอยู่เช่นหาเงินหาทองทำนู่นทำนี่นสร้างอะไรให้ใหญ่ โหาทรัพย์สมบัติหาหายศหาตาแหน่งหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายเราก็จะคิดอยากจะทาบุญเพราะเราเชื่อว่าบุญนี้แหละที่จะเป็นที่พึ่งของเราเวลาที่เราตายไปแล้วถ้าเราทาบุญมากเราก็จะได้ไปเกิดในสุคติ ถ้าเราไม่ทำบุญทำแต่บาตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในอบายพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆให้คิดว่าเหมือนกับเราเป็นโรคร้ายอยู่ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่เพียงไม่กี่วันเราจะได้เร่งรีบขวนขวายทำประโยชน์คือทำบุญ การทำบุญนี้เป็นการทำประโยชน์ทั้งกับตัวเราและแก่ผู้เพราะว่าเวลาเราทำบุญเช่นเอาข้าวของเงินทองต่างๆมาให้คนนั้นคนนี้คนที่ได้รับข้าวของเงินทองเขาก็จะได้รับประโยชน์ส่วนเราเราก็ได้รับประโยชน์ทางจิตใจใจเรามีความสุข มีความสงบใจเราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติเข้าของเงิทาานทองเพราะเรารู้ว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไปภายในเวลาสามเดือนนี้ให้เราคิดอย่างนี้เร า, จ ะ, า, จ, ะ า, าจะได้มีกำลังใจที่จะทำดีเราจะได้ไม่เสียดายกับทรัพย์สมบัติเข้าของเ ง, งินทองต่างๆเพราะว่า เวลาเราไปเราอาศัยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้นั่นเองสิ่งที่เราอาศัยได้ก็คือบุญที่เกิดจากการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วเราก็จะได้อยากจะมาอยู่วัดมารักษาศีลเพื่อทําใจให้ได้บุญมากขึ้นไป พอบุญนี้มีอยู่สามระดับด้วยกันบุญที่เกิดจากการให้ที่เรียกว่าทานแล้วก็บุญที่เกิดจากการไม่ทำบาปเรียกว่าศีลแล้วก็บุญที่เกิดจากการภาวนาคือทาใจให้สงบให้สะอาดให้ฉลาให้ปล่อยวางให้ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ถ้าเราทำบุญทั้งสามระดับนี้ได้ใจของเราจะมีบุญอย่างเต็มเปีเป่ยมอยู่ในภายหัวใจมีบุญก็เหมือนมีทรัพย์เหมือนมีอาหารนั่นเองเราก็จะอยู่และไปอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายไปแล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมา เกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการทาําบุญผลที่เราจะได้รับถ้าเราคิดว่าเราจะต้องตายไปภายในสามเดือนหกเดือนเราจะไม่ประมานอนใจเราจะไม่ผัดวันประกันพุ่งว่าไว้พรุ่ง น, นี้ก็าทำไม้ไว้ให้แก่กว่า น, นี้ก็าทำเพราะเราอาจจะไม่แก่ก็ได้ถ้าเราจะเสียโอกาส อันดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะการที่เราจะสร้างบุญสร้างกุศลได้อย่างเต็มที่นั้นเราจำเป็นจะต้องเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมาพบกับพระพุทธศาสนาเพราะถ้าเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับพระพุทธศาสนาเช่นสุนัข ที่มาอาศัยอยู่ในวัดนี้เขาก็จะไม่ได้รับประโยชน์มากจากพระพุทธศาสนานอกจากได้รับความเมตตาความล่มเย็นเป็นสุขคือปลอดภัยที่ได้มาอาศัยอยู่ในวัดมีอาหารมีอะไรรับประทานมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยแต่เขาจะไม่ได้รับประโยชน์คือ จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนให้เขาได้ยกระดับจิตใจพัฒนาจิตใจของเขาให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ให้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับไปเกิดในอาบายได้มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอนได้เพราะมีพระพุทธเจ้า ได้ทรงตัดสรนถึงกฎแห่งกรรมรู้ว่ากรรมก็คือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้สัตว์โลกนั้นเกิดเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเกิดในนรกหรือเกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรห์เกิดเป็นพระอริยเจ้า เกิดเป็นพระอราหันต์เกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดจากกฎแห่งกรรมนี่เองคือการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนสั่งสอนให้แก่สัรโลกสัรโลกก็จะไม่มีวันรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมไม่รู้ว่าตนเองมาเกิดได้อย่างไรและ เกิดมาแล้วมาเวียนไหว้ตายมาแก่มามาแก่มาเจ็บมาตายอยู่มากน้อยเพียงไรและไม่รู้ว่าจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ไปอีกมากน้อยเพียงไรไม่รู้ว่ามีสิทธิ์มีโอกาสที่จะไม่ต้องไปเวียนไหวต้ตายเกิดได้ต่อไปมีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวเท่านั้น ที่สามารถรู้ความจริงของสัตว์โลกทั้งหลายได้ว่าสัตว์โลกนี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ต้องไปเกิดตามพบน้อยพบใหญ่พบสูงพบต่ำตามอำนาจของบุญของบาบุญก็คือการกระทำดีบาบก็คือการกระทำไม่ดีนั่นเองนะการกระทำก็คือ การกระทำทางกายวาจาและทางใจการกระทำทั้งสามนี้มีการกระทำทางใจเป็นหัวหน้าถ้าใจไม่สั่งร่างกายก็จะทำอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ใจเป็นผู้สั่งการดังนั้นเราจึงต้องคอยเฝ้าดูใจของเราดูว่าใจของเรากำลังสั่งให้ร่างกายเราไปทำ อะไรไปพูดอะไรถ้าสั่งให้ไปทําบาปเราก็อย่าไปทําถ้าสั่งให้ไปทําบุญให้ไปรักษาศีลให้ไปปฏิบัติธรรมเราก็ควรจะไปทันทีควรจะคิดว่าเวลาเรามีน้อยแล้วเราต้องร่บเพราะถ้าหมดถ้าเราตายไปแล้วยังไม่สามารถพัฒนาจิตใจของเรา ให้หลุพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในภบน้ายภบใหญ่ไปนับวันนับจำนวนไม่ท้วนแต่ถ้าเรารีบควรขวายรีบปฏิบัติรีบรักษาศีลรีบทำบุญให้ทานให้มากๆไม่เก็บเอาไว้มากจนเกินไปเก็บไว้พอกับการอยู่ พอกับการใช้สอยที่เหลือนี้ก็เอาไปทำบุญแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นไปแล้วก็ไม่ขนขวายหาเงินหาทองมามากจนเกินไปหามาเท่าที่จาเป็นพอมีมากพอแล้วเราก็หยุดหาแล้วมาหาทรัพย์ภายในกันมาหาบุญมาหากุศลที่เป็นที่พึ่งของจิตใจที่จะทำให้จิตใจ อยู่เหนือความทุกข์ต่างๆให้จิตใจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่ที่การกระทำของเราอยู่ที่ความคิดของเราคือการกระทำทางใจเราจึงต้องพยายามสอนใจเพือบังคับใจให้คิดไปในทางกุศลให้มากๆเริ่มตอนการให้คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเราคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะคิดอยากจะทำบุญ อยากจะสร้างกุศลเพราะเราเห็นแล้วว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราเป็นที่เป็นที่พึ่งชั่วคราวให้ความสุขกับเราเพียงชั่วคราวในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แต่หลังจากที่เราตายไปแล้วสมบัติต่างๆเข้าของต่างๆสิ่งของต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถช่วยเราได้แล้ว มีแต่บุญเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ดังนั้นเราถึงต้องนำเลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเราลังเลิกแล้วก็จะทําให้เรามีฉันทาวิรยิยะจิตตะวิมังสา <c oughs> คือมีอิทธิบาทสี่ถ้าใครมีอิทธิบาทสี่แล้วก็จะสามารถทําอะไรให้สําเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นในทางโลกหรือในทางธรรมเพราะ อทธิบาทสีนี้คือคือเครื่องมือหรือเป็นพาหนะที่จะนำพาให้ผู้ที่ต้องการจะไปสู่จุดใดจุดหนึ่งสามารถเดินทางไปถึงได้อย่างรวดเร็วเช่นถ้าเรามีรถยนต์เราอยากจะไปไหนนี่เราก็ไปได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มีรถยนต์เราก็จะต้องเดินไปก็จะทําให้ ยากลำบากแลชา้าและอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้แต่พอเรามีฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสาแล้วใจของเราก็จะมีพลังเหมือนกับได้เติมน้ำมันพิเศษน้ำมันเป็นสิน95ทำให้ใจของเรานี้มีวิรยิยะความขวนขวายที่จะทำหน้าที่คือปฏิบัติ ทานศีลภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จะมีใจที่ตั้งมั่นจดจอ่ออยู่กับการทำทานรักษาศีลภาวนาใจจะไม่ไปวกแวกไปกับเรื่องอื่นจะไม่ไปหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะตั้งอยู่จดจอ่อจะจดจอ่ออยู่กับการทำบุญ ให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วก็มีวิมังสาจะคิดแต่เรื่องทําบุญจะคิดแต่เรื่องรักษาศีลจะคิดแต่เรื่องภาวนาเรื่องอื่นจะไม่คิดเพราะรู้ว่าเป็นเรื่องไรสาระมีเรื่องทานศีลภาวนานี้เท่านั้นที่เป็นเรื่องที่เป็นสาระเป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะว่าถ้าได้ปฏิบัติแล้ว ก็จะทำให้จิตใจมีความน่มเย็นเต็นสุดมีความอิ่มเอิมีมความสบายไม่วุ่นวายไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยการบาเพ็ญทานศีลภาวนาจะบาเพ็ญทานศีลภาวนาได้ก็ต้องมีอิทธิบาทสี่คือมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะแปลว่าความพอใจหรือความยินดี ที่จะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาพอมีความพอใจแล้วก็จะมีวิรยิยะความขยันขยันที่จะทำบุญขยันที่รักษาศีลขยันที่จะภาวนาพอมีวิริยะก็จะมีจิตตะคือใจก็จะตั้งมั่นอยู่กับการการทำบุญให้ทานรักษาศีลมีวทมังรษา ใจจะคิดค่ายควรแต่เรื่องทำบุญให้ทานรักษาศีลถ้ามีอิทธิบาทศีแล้วการนำเพญทานศีลภาวนาก็จะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมังผลนิพพานวิมุติการหลุดพ้นก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปนี่คือผลที่จะเกิดจากการที่เราไม่ประมาทเราละลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่มีใครในโลกนี้ไม่มีใครในสารานี้ที่จะหนีความตายไปได้พวกเราทุกคนทั้งผู้พูดเองและผู้ฟังจะต้องตายไปตายไปในวันหนึ่งอย่างแน่นอนดังนั้นเราอย่ามาเสียเวลากับเรื่องราวที่ไร้สาระเรื่องราวที่ไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจไม่เป็นที่พึ่งแก่จิตใจให้เรามาทุ่มเทเวลา ให้กับการทําประโยชน์ให้กับใจของเราและประโยชน์ของผู้อื่นด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาพอเราบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราและจะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปโดยเฉพาะญาติสนิทมิตรสายเพราะว่าเมื่อเขาเห็นว่าเรามีความสามารถที่จะ สร้างที่พึ่งให้กับเราได้แล้วเขาก็จะเกิดศรัทธาอยากจะมีที่พึ่งเหมือนเราเขาก็จะมาหาเราเพื่อให้เราช่วยสอนเขาต่อไปดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบงเ่เเผนตอนต้นพระองค์ก็ทรงต้องสละราชสมบัติแล้วก็ไปปรีกวิเวกอยู่ตามลำพังเพื่อรักษาศีลเพื่อภาวนา พหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็กลับไปโปรดญาติโยมญาติี่น้องที่อยู่ในพระราชวังพอทรงไปโปรดแล้วก็มีญาติพี่น้องมีจิตศรัทธาขอตามออกบวชกันลูกก็บวชเป็นเองพี่น้องก็บวชเป็นพระแม่ก็บวชเป็นภิกษุณีเพราะว่า เห็นประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้รับจากการบังเพงเขาก็อยากจะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันเพราะเขาเห็นว่าทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองความสุขที่เขามีอยู่ในปัจจุบันนี้มันไม่ได้เป็นที่พึ่งของใจเลยมันไม่ได้ดับมันไม่ได้ดับความทุกข์ดับความวุ่นวายใจได้เลยต่อให้มีเงินทองเท่าภูเขา ต่อให้มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมากน้อยเพียงไรก็ตายความทุกข์ภายในใจก็ยังมีอยู่และจะไม่ดับไปด้วยลาภยศสรรเสริญด้วยความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเขาได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ภายในใจแล้วเขาก็เกิดศรัทธาอยากที่จะปฏิบัติเหมือนกับพระพุทธเจ้า พรจ ะ, จะเจ้าก็เลยได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปเรื่องต้นต้องทำประโยชน์ให้กับพระองค์เองก่อนเพราะถ้าพระองค์ยังไม่สามารถทำประโยชน์ให้กับตนเองได้แล้วจะไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไร <c oughs> พวกเราก็เช่นเดียวกันก่อนที่เราจะทาประโยชน์ให้กับใครก็ตามเราต้องทำประโยชน์ของตัวเราก่อนเราต้อง ทำใจของเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้ก่อนพอเราทำได้แล้วเราก็จะเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของผู้อื่นเพราะผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะดำรงชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายไม่มีปัญหาไม่สร้างปัญหาไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมีแต่จะสร้างประโยชน์ ให้แก่ผู้โดยถ่ายเดียวก็จะทำให้ผู้ที่เห็นได้พบเห็นเกิดศรัทธาอยากที่จะศึกษาอยากที่จะปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าจึงได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนับเป็นจํานวนมากถ้านับเป็นคนก็ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ พระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วก็ตามแต่อานุภาพของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ที่เป็นอาการวิโกที่ไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลานี้ยังสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เสมอพวกเราจึงได้รับอนิสงส์จากการเสียสละของพระพุทธเจ้าจากการสละราชสมบัติจากการ ออกไปบวชรักษาศีลและภาวนาถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิบัติพวกเราก็จะไม่มีที่พึ่งจะไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนบางบอกให้เรารู้จักวิธีที่จะทําให้เราได้มีที่พึ่งทําให้เราได้ดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดสิ้นไปพระพุทธเจ้าก็ทรง จเจริญมรณาอานุสติเช่นเดียวกันทรงระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายครั้งที่ทรงออกเสด็จไปประพาสนอกพระราชวังพวกนั้นไม่เคยออกนอกวังเลยเพราะพระราชบิดาไม่ปรารถนาที่จะให้พระพุทธเจ้าได้ออกไปเห็นความทุกข์คือไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตาย จะให้พระองค์ห้อมล้อมอยู่กับความสุขเพียงอย่างเดียวแต่ความสุขที่ทรงห้อมล้อมพระทัยของพระทเจ้าอยู่นั้นไม่สามารถดับความทุกข์ในพระทัยของพระองค์เองได้จึงทําให้พระองค์อยากจะออกไปดูข้างนอกพระราชวังว่ามีอะไรบ้างก็เลยหนีออกไปหลบออกไปให้บ า, าเล็พาไปไปแล้วก็ได้ไปเห็นคนแก่ ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนก็ส่งถามว่าคนนี้เป็นอะไรเขาถึงเป็นอย่างนี้มาเลยกระต่บว่าเขาก็เป็นเหมือนพระองค์มาเมื่อก่อนเขาก็มีกำลังวังชาเป็นหนุ่มเป็นแน่นเป็นสาวเหมือนกับที่พระองค์เป็นอยู่แต่หลังจากเขาอยู่ไปนานๆเขา น, าน่ากายของเขาก็จะต้องเสื่อมไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้และพอเดินต่อไป ก็ไปเห็นงานศพเห็นคนเขา้าะเห็นคนเห็นคนนอนไม่สบายอยู่นอนอยู่บนเตียงน้องโอดควญคางก็ถามว่าเขาเป็นอะไรเขาก็บอกว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่ทุกคนจะต้องเป็นกันแม้พระองค์เองสวันหนึ่งก็จะต้องเจ็บไข้ได้ปวด่วยเหมือนกันเช่นเดียวกันพอเดินต่อไปก็ไปเห็นเขากำลังแบกคนตาย แบกสพไปทำชาปนกิจก็ถามว่าคนนี้เขาเป็นอะไร <c oughs> ก็ได้รับคาตอบว่าเขาตายแล้วเมื่อก่อนเขาก็เหมือนเป็นเหมือนพระองค์เขามีชีวิตอยู่ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนกับที่พระองค์กำลังกระทำอยู่ในตอนนี้แต่เมื่อเขาอยู่ไปนา น, านๆเข้าร่างกายของเขาก็ทนอยู่ต่อไปไม่ได้ก็จะต้องตายไป ร่างกายของพระ อ, องค์ก็จะเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกันพอพระ อ, องค์ได้เห็นความเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายจึงทําให้พระ อ, องค์เกิดความสลดสองเวฟต่อการมีชีวิตอยู่และทําให้พระ อ, องค์เกิดความอยากที่จะหาวิธีที่จะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ ก็เดินต่อไปก็ได้ไปพบกับสมณะนักบวชก็ถามเขาว่าพวกนี้เขาทําอะไรกันเขาก็ตอบว่าพวกนี้เขาแสวงหาความหลุดพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายแสวงหาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพระองค์ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและเห็นสมณะนักบวชพระองค์ก็เลยเกิดมี ปัญญาขึ้นมาว่าพราะองค์จำเป็นจะต้องออกบวชแล้วเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พระองค์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปก็ถ้าจะแกะ่ก็ขอแก่เจ็บตายเพียงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเท่านั้นนี่คือสิ่งที่ปรากฏใน ขณะที่พระ อ, องค์ได้เสด็จออกไปนอกพระราชวังไปเห็นความไม่เที่ยงนี้เองเห็นอนิจจ์ความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารร่างกายว่าสังขารร่างกายมีเกิดย่อมมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาพระ อ, องค์จึงทรงฝากคำสอนนี้ไว้ให้กับพวกเราก่อนที่จะจากเราไปทรงตรัสว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง มีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาจงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดก็คือการปฏิบัติทานสิงภาวนานี้เป็นการปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์ของตนเองและประโยชน์ของผู้อื่นที่จะตามมาต่อไปถ้าเราสามารถปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เราก็จะเป็นที่พึ่งของบิดามารดาของญาติสนิทนิสหายได้เขาก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามเราและเขาก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นาที่พระพุทธเจ้าได้สนปฏิบัติต่อบิดามารดาของพระองคพ์พระราชบิดาก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เจ็ดวันก่อนตายลูกก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ เพราอำนาจของพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติตนเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะนำลึกกันอยู่เรื่อยๆด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆจะทําให้เราไม่ประมาทนอนใจจะทําให้เราเห็นว่าชีวิตของเรานี้สิ่งต่างๆที่เรามีนี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลย นอกจากการที่เราจะใช้ชีวิตนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนาเท่านั้นเพราะการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เท่านั้นที่จะทำให้เราเป็นที่พึ่งของเราเองได้ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้ ดังนั้นขอให้เราจงเห็นคุณค่าของชีวิตของเราอย่าใช้ชีวิตของเราไปกับสิ่งไร้สาระทั้งหลายเช่นลาภยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกม้นกายขอให้เราใช้ชีวิตของเราให้กเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดด้วยการมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาภาวนากันรผลที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับ ก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนกรยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันไว้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค้วข้าปลอดภัย